พรธรรมเทศนาของหลวงปู่ขาวอนาดโยวับถ้รมกรองเพนจังหวัดหนองบัวลำพูเรื่องเกิดเท็ดในวงเล็บ จากอยู่นี่แหละเดี๋ยวนี้แหละเราจะไปนรกก็รู้จากตัวอยู่นี่เพราะจิตเศร้าหมองตนจะไปสวรรค์ไปพรมโลกก็เพราะจิตเบิก บ, บานจิตมีอารมณ์อันเดียวจิตไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ภายนอกมีแต่พุทโธพุทโธเห็นพุทโธอยู่พุทโธ คือผู้รู้รู้ว่าใจของตนบริสุทธิ์ผุดพองใจบริสุทธิ์ก็ศีลบริสุทธิ์ตัวเป็นผู้ดำเนินศีลเป็นประธานผู้ใดทำบาปทำกรรมทำใจของตนเศร้าหมองหาโทษใส่ตนนักกลาดว่าคนโง่คนยากมันเกิดจากตน ตนบริสุทธิ์ตนดีอยู่ไปเอาความเศร้าหมองเอาความร้ายเข้ามาใส่ตนเข้ามาเผาตนตนเผาตนก็แม่นใจเผาใจแล้วก็แล้วกันไปอดีตร่วงไปแล้วมันร่วงมาแล้วจะเอามาเป็นอารมณ์ให้ใจเศร้าหมองทำไม อนาคตยังมาไม่ถึงอย่าไปคิดมันให้มันมาเจอก่อนจึงคิดให้พิจารณาปัจจุบันพิจารณาร่างกายนี้ของแตกของเน่านี้มันจะตายวันไหนมันจะเป็นอย่างไรพริจารณาให้เห็นว่ามันไม่พ้นความตายรีบทำความดี รีบทำความเพียรรีบทำบําเพ็ญภาวนาให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญาเกิดขึ้นความชั่วที่เก็บมาให้มันเผาจิตต้องเปิดออกตัดออกเอาแต่ความดีเข้ามาสู่ดวงจิตดวงใจของตนให้ใจเบิกบานให้ใจราเริง ให้ใจกว้างอย่าให้ใจขัดแคบจิตมันรกมันรกคือป่าดงเราออกมาจากที่รกชักแล้วเราออกมาสู่แดนที่ว่างคือออกมาจากความกังวลออกมาจากคารวาสคารวาสเป็นของรกชักมันรกเพราะความกังวลเพราะความมี ความจนมีลูกมีเต้าหลายคนมันไม่เป็นปัญหายังไงไหวนี่หละมันรกนี่เราออกมาอย่างนี้มันไม่เจอกับใครผ้าจีวอนเขาก็ให้บอดิหาเซนาสนะเขาก็ทำให้เทศัชคือยาบำบัดโรคเขาก็เอามาให้บอดบอยาก เรามีงงมีงานอันอยังเรามีแต่ตั้งหน้าทำความเทียนเราอยากเป็นผู้ดีมีศีลเขาก็มีความยินดีกับเราเขาจึงกราบไหว้เมื่อเราเป็นคารวาสเขาจะกราบเราเฮ็ดยัางบักอันนี้เท่าอันนี้แต่นี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อ เราเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรมเป็นผู้ไม่เบียดเบียนใครเราเป็นรูปพระพุทธเจ้าเราไม่ควรทำความเกลียดคร้านไม่ควรทำลายศีลไม่ควรทำลายสัตว์โลกให้วุ่นวายในหัวใจเราสบายบ้านเมืองประเทศของเราสบายเราไม่ต้องรบรากับเขา เราไม่มีความเดือดร้อนเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราต้องการทำความสงบความสบายเราจึงต้องหลีกออกมาอยู่ป่าอยู่ดงไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่กังวลกับใครความตายตายไปแล้วเราอยู่ก็ตายมันจะกลัวตายไปทำไมความตายมาถึงละหวั่นไหว พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้หวันไหวได้ความสันเสริญก็ดีใจแต่มันไม่เที่ยงความนินทาติดเตียนก็มีในโลกนี้แต่มันไม่เที่ยงลาบเกิดขึ้นก็มีอยู่ในโลกแต่มันก็เสื่อมไปความสันเสริญเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปความสุขเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไป ความินทาเกิดขึ้นก็เสื่อมไปสิ่งไหนล่ะจะเอามาเป็นสาระแก่นสารเราจะไปยึดไปถือทำไมปล่อยวางให้หมดทำใจให้เป็นอารมณ์อันเดียวให้เป็นพุทโธพุทโธพุทโธคือผู้รู้ให้ใจเราเบิกบานอย่าให้ใจเราเศร้าหมอง ครั้นใจเราเศร้าหมองต้องชำระสะสางให้ใจเราเบิกบานอย่าให้ขุนมัวให้ดูใจของตนนี้เราจะได้บุญที่สุดก็เพราะจิตสงบวิเวกอย่าให้สินขาดสินด่างพร้อยเราจึงจะแน่ใจสินเป็นที่ตั้งของสมาธิ จิตมันจะสงบลงเป็นสมาธิสมาธิมันเป็นเขาเป็นมูลของปัญญาต่อกันไปนั่นแหละ